ทานใดยังไม่ได้นอนมัน้งใครนอนมาแล้วอิ่มหนึง่งยกมือก็มีการเค้าดาวกันเสียงสดมนกระหึ่มแล้วก็มีเสียงประทัด ต, ตอนเตียงคืนมีเสียงตึ๊บลุตะไลมีการยิงปืน หลายเสียงเฉริมฉลองกันอันวาก็นั่งเงียบๆอยู่ตัวเองเฝ้าดูกายใจของเราในการปฏิบัติหนึ่งๆจนถึงตอนนี้แหละ ป, ปีใหม่เป็นเพียงสมมติบัญญัติ ที่ทางโลกสมมติกันขึ้นมาเป็นส า, านกลก็<ม> 2,555 หรือว่าคิดสกุลละ 2,012 คนจีนก็ยังไม่ถึงปีใหม่ถ้าเป็นไทยแท้ก็ยังไม่ถึงต้อง1เมษายนเอ่อ13เมษา ย, ยนต์ปนโปีนหรือว่าสงกราร ของฝรั่งก็เลยมาแล้วคริสต์มาสวันที่ยี่้ามันเป็นเวลาสมมุติที่กำหนดเพื่อให้มนุษยชาติได้รับรู้และลึกรู้ในสมมุติบัญญัติต่างๆการปิดงบประมาณประจำปี ปิดงบประมาณธนาคารบัญชีเท่าไหร่กลางปีปลายปีจะใช้ใจ่ายดอกเบี้ยเสียดอกเบี้ยต่างๆทำหนึ่งคำนวณกันจะทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองโดยเพราะศาสนาปีนี้ให้ระลึกถึง เป็นปีที่พุทธศาสนาครบ 2,600 ปีที่เมืองไทยเป็นศูนย์กลางแล้วก็เฉลิมฉลองกันจริงๆเป็นเพียงกิจกรรมธรรมดารรมดาก็ไม่่อยก่อประโยชน์เท่าไหร่แต่มีจะประโยชน์อยู่บ้างก็การก่อศรัทธาเมืองต้นให้มนุษยชาติได้รู้ว่าเออมันมีเรื่องของพพุทธศาสนามีเรื่องศาสนา พุศาสอนาอะไรละชั่วทำดีชําระจิตมีการสวดมนต์มีการอ้อนวอนมีการบวงสรวงก็คือศาสนพิธีมีศาสนวัตถุมีศาสนสถานมีศาสนบุคคลมีศาสนธรรมศาสนธรรมก็คือการฝึกหัดปฏิบัติถึงทั้ง เาสูส่สภาวะของความจานาญเป็นมืออาชีพการฝึกหมาสติปัญสี่จนเป็นมืออาชีพเห็นกายของเราตามความเป็นจริงเวทนาจิตธรรมรู้จักสุขรู้จักทุกข์รู้จักจิตเวลาคิดนึกปรุงแต่งรู้จักธรรมชาติภายนนอกตัวและภายในตัว หลูรสแสงสีกินเสียงมันปลุกแลววว้วยั่วยวนยั่วยุหรือเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติพรคิดทิตขึ้นพระทิตตกนะดวงดาวโคจรสายล้มแสงแดดต้นไม้ใบหญ้าศัาล์ราสิงนะก้อนหินทะเลน้ำตกเราเข้าถึงธรรมชาติจิตใจก็สบายเป็นปกติ ถ้าไม่รู้จักจิตจักใจภายในธรรมชาติภายในอารมณ์ต่างๆความรู้สึกต่างๆภายในอันนี้อันตรายเราจะถูกครอบงำถูกอิทธิพลของอารมณ์ความรู้สึกใช้ใกาใช้ใจของเราโดยว่าจิตใจถูกใช้ จันั้งเกิดสภาวะงงตัวเองสับสนในเวลาที่มเหลืออยู่มันเหมือนกับชีวิตมันยาวไกลยาวนานไม่รู้จะไปทิศทางไหนมันมืดมนมันมุนงนเอองนง ง, งมันคล้ายๆกับว่ามันไม่มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่จะพาไปสู่จุดหมายปลายทางที่มันตรงไปตรงมาจนได้คำตอบของชีวิต จนมันอกมั่นใจในการจะดำเนินชีวิตมีความอบอุ่นมีความอิ่มเอมมีความโล่งปลงมีความมันอกมั่นใจในการจะคิดจะพูดจะทํานกระทั้งก่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นความสุขเกษมสารจนรู้สึกว่าชีวิตนี้มันมันคุ้มค่า การมีชีวิตเกิดเป็นมนุษย์มันคุ้มค่ามันสามารถทำกิจกรรมที่สูงสุดเข้าสู่เป้าหมายของชีวิตก็คือมรรคผลนิพพานนะตรงๆไม่อ้อมมันจึงมีเรื่องของการทำกิจกรรมต่างๆเต็มโลกเลยไ่อาคุศรก็ทำงานกันฉลองปีใหม่เหมือนกันเต็มที่กินเหล้าเมายา ทำอะไรก็ได้ที่มันสใจส่งท้ายตอนรับปีใหมนะ่ป่านนี้ก็ยังบางทีลุกไม่ขึ้นนะทําดีก็ลุกไม่ขึ้นนะส่วนบางคนตั้งคืนมาคืนก็ยังลุกไม่ขึ้นว่าแม่ว่าไห ม, ไ ห, มหลายคนยังสลบกันอยู่เลยนะทําดีนะเนะีไยเช้าวันใหม่คนตื่นแล้วละป่านเนี้ไอ้ที่ทาให้ดีก็ยังไม่ตื่นเหมือนกันลนะทั้งคู่อนะทําดีก็ยังไม่ตื่น จริงๆแล้ววิธีหลวงปู่เทียนเนี่ยไม่ต้องมาทําอะไรกันมากมายหรอกหลวงปู่เทียนชี้ตรงมากๆเลยตรงความรู้สึกตัวมันไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วมันเป็นชีวิตธรรมดาธรรมดามันไม่ต้องมาย้อมใจอะไรทั้งหมดนันะ่นแหนะมันเป็นชีวิตล้วนๆเลยสดๆล้วนๆแล้วก็เป็นธรรมชาติจริงๆนะปฏิเสธไม่ได้เลยตัวนี้พนระอิตนยะตกไม่ไว้นอน ตื่นมามีแสงว่าที่าเตื่นทํากิจกรรมนะแต่ว่าพิธีของมนุษย์เนี่ย <c oughs> การนอ น, น <c oughs> กนอนน็ไม่ควรนอนนานเกินห้าชั่วโมงหรือหกชั่วโมงเป็นอย่างน้อยมากสุดแล้วนะหชั่วโมงแต่ว่าคนก็บกาบากผมยังน้อยอยู่มันต้อง8ดชั่วโมงมันต้องสิบชั่วโมงอันนั้นมันเป็นวิธีของการใช้ชีวิตไปสู่ความไม่เสื่อมนะชีวิตจริงๆนี กายขอเรามันพักจริงๆนะจิตใจของเราพักจริงๆตกผวังได้พักผ่อนจนสดชื่นให้สังเกตดูเถอนะห้าชโมงหชั่โมงนะโอ้มันสดชื่นมากๆเนละมันเป็นเรื่องที่นะร่างกายมันต้องพักกระบวนการลําไส้ตับปอดม้ามหัวใจนะสารพัดนะก็จะล้างระบบก็เวลานี้ต้องล้างระบบนี้เวลานนี้ต้องล้างระบบนี้ไล่กันไป ยกเป้นตอนไหนหรือมั้ยกเป้นองค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยตอนวันเป็นเดือนหกขึ้นสิบห้าายามสามปิลากาท่านทากิจกิจหนึ่งก็คือนั่งดูลมหายใจอาณาปานสติหลังจากมันเป็นทุกขากิริยาเหมือนโยคยีไม่นอนนั่ง อดข้าวอดน้ำทรมานตนอัตตากริมธานโยกเสือล้วบอกเอ๊ะตึงไปมันก็จะขาดหย่อนไปมันก็จะเสียงดังไม่เพราะนึกถึงพินสามสายเจอแล้วมัจิมาปฏิปทาคือทางสายกลางอ๋อทางสายกลางมันจะให้เกิดการดำเนินไปสู่เป้าหมายสูงสุดก็คือโสดาบันสติธาคามีอนาคามี รือว่าอาลหันเกิดอาราตะพลขึ้นมาเมื่อก่อนคิดว่าทุกอยู่ที่กายก็มันเป็นทุกขากิริยาก่อนหน้าก็ปล่อยตามใจตามกิเลสกรมมาสุขายกายโยกมันมีทุกสิ่งทุกอย่างประสาสามฤดูมีทรัพย์สินจะลิงการเป็นโอรสสาธิราชมีนางสนมกำนันในที่สําคัญก็คือปลาหุน่น ลูกชายลาหนนุ่นนีคลอดมาได้เจวันห่วงเกิดขึ้นและหนอห่วงเกิดขึ้นและหนอะไปเห็นการแก่การเจ็บการตายและสมณะเทวดาสี่ทำไมคิดจะรับผิดชอบว่าเกิดอะไรขึ้นมาต่อไปต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตาย แล้วเราก็จะต้องเกิดสิ่งนี้เหมือนกันเกิดการรับผิด ช, ชอบขึ้นมาตามประวัติพุทธประวัติในฐานอีิพินนี้จะเฉลิมฉลอง 2,600 ปีของอศาสนาพุทธเจ้าศาสดาหนระือว่าบรมครูของเราก็มีประวัติไม่ใช่คนสามัญธรรมดาทั่วไปที่จะ เหมือนกับว่ามีปัญหามีความทุกข์จนกระทั่งมันเหมือนกับว่าอยู่กับโลกไม่ได้ในเรื่องของปัจจัยสี่เรื่องของการใช้ชีวิตแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็สิ่งที่พบเจอเทวทูตสี่แล้วต้องหาทางออกรับผิดชอบไว้ได้ในฐานะที่จบมาสิบแปดปริญญา สิบแปดศาสตร์แต่มันก็ยังไม่พ้นทุกข์ถ้าจะเทียบเคียงกับมันก็พวกเราทุกท่านที่นั่งอยู่ห น, น้าที่นี้แล้วก็ผ่านอะไรกันมามากมายมีทรัพย์สินสินงคารบุคคนหนึ่งสองสามประตูหนึ่งสองสามมีปัญญาคว า, ามรู้คว า, ามสามารถมีอาชีพท้ายสุดเราก็ยังต้องทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บร่างกายของเราทุกข์เพราะว่ายังมีไม่พอ ทรัพย์สินสิงคาดล้อมทุกรว่าคนใกล้เคียงคนที่เรารักคนที่รักเราเรามีปัญหากับชุนชนกับสังคมมีปัญหากับการงานอาชีพต่างๆมีปัญหากับความสับสนงนงบางทีเรามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างวัตถุหนึ่งสองสก็มีห6 7 8ปัจจัย นอกจากสี่แล้วมีห้าหเจ็ดปดเรียกว่ามากมายจนเกิดการบำรุงบำงเรอต่างๆบุคคลแล้วก็มีคนที่เราลักมากมายเพื่อนฝูงเราสามารถทีมีคนรอบๆตัวแต่ว่าท้ายสุดมาอยู่กับตัวเองมีความเหงามีความว้าเวบางทีมีการแก่แล้วก็ทุกข์ใจ คือหนังเซลล์เเปลี่ยนไปตละปีตละปีมันก้าวสู่ความเสื่อมมันไม่เหมือนเก่าตละปีตละปีตละปีเราเห็นริ้วรอยผมงอกตีนกาขึ้นรู้สึกอ่อนล้าปวดเข่าปวดก้ปวดเอวปวดหลังปวดไหล่ปวดแข้งปวดขาปวดไม้ปวดเมืองมันก็ไม่เท่าเก่า ความแข็งแรงความสมบูรณ์มันได้เห็นริ้วรอยร่องรอยของตละปีตละปีแต่ว่าจิตใจของเรานี่สนะิมันก็มีความชัดเจนนะในการแสดงออกอยู่ตลอดเวลาบอกทิศบอกทางอบายภูมิสุขติภูมินะคิดตัวเองเจ็บปวดสับสนขัดแยง้งนะเป็นลนักษณะของสัตว์ดิลฉานนะ คิดแล้วไม่รู้จักรู้จักพอคิดแล้วมันก็ไม่รู้จักความไม่รู้จักพอเนี่ยตรงนี้มันไม่รู้จักจริงๆมันก็กลายไปเป็นเปรตมือเท้าไบตาลไห้ว่าท้องเท้าภูเขาไม่อิ่มสักทีปากเท้ารูเข็มมีเท่าไหร่ก็กินไม่หมดก็คือสะสมนั่นเองกลายเป็นเรื่องของทรัพย์สินสฉลียการสมบัติบ้า เต็มไปหมดนะเราก็เลยเนี่ยรู้จักแล้วมันทุกข์นะถ้าถูกเรียกว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยมันต้องมีการแบ่งปันอะไรเงี้ยอันนี้คือเปลดมโมโหโทวโดูร้ายอาฆาตพยาบตทจองเวรนนะเราเวลาพอมาอเอาคืนตายกูก็ไม่ลืมนะไม่มีการให้อภัยจิตไร้เมตตาธรรม อันนี้เป็นลันกษณะของสัตว์นรกอสุรกายก็คือพวภูมิที่เป็นลันกษณะของขี้ขาดตาขาวไม่มั่นใจในตัวเองไปไหนก็หวาดก็กลัวมีความรู้สึกว่าสังคมนี่มันไม่น่าไว้วางใจมีแต่ความหวาดระแวงอันนี้ลักษณะจิตที่มันเป็นอสุรกายเมื่อคืนอสุรกายก็ฉลองกันนะฉลองกันแหลกเลย กินเหล้าเข้ไปสุลานลี่ยแหละสุลาแปลว่ากล้าหารทีลว่าก้าหา ร, าาาหารนะคนที่ขี้ขาดเมื่อคืนก็สังสรรค์กันกลัวเพื่อนจะไปคบก็ต้องไปแล้วกับเพื่อนนะตั้งวงกงกันอันนี้กำลังชี้ให้ดูนะไม่ใช่หมายถึงว่าถูกว่าผิดแต่ชี้ทางให้ใครอยากไปไหนก็ไปไ ป, ไปที่ชอบที่ชอบนะเทวดาคือเทแหลกกลุ่มที่ให้มีการให้ให้ให้ให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้แต่ท้ายสุด ก็ทุกใจเหมือนกันเพราะว่าให้แล้วเนกะิดการเนระคุณให้แล้วเกิดการอาคติให้แล้วเกิดทําดีไม่ได้ดีท้อแท้เหนื่อยหน่ายพรมก็คือเมตตากรุณาเมตตาเบี้ขาที่เราให้แบบไม่ประมาณอย่างเช่นเมื่อวานที่เราได้ฟังอาจารย์วชัยบอกถึงว่าออกไปข้างนอกเก็บกล่องนมอะไรเงี้ย มีขยะเก็บขยะเก็บขวดพลาสติกอะไรพวกนี้นปรากฏพระสงฆ์มีวินัยอยู่อย่างนึงก็คือเวลาเราออกไปนอกบ้านนอกพัดรนะนะเขียนอาว่าต่างๆแล้วก็ออกไปนะถ้าเจอทรัพย์ของประชาชนคนทั่วไปไปเก็บนอาบัตหมดเลย แล้วอยู่ในวัดเนี่ยได้เห็นแล้วไม่เก็บไว้ให้เจ้าของอันนี้ก็อาบัตอีกนะทั้งคู่เลยทั้งค้นทั้งร่องถ้าอยู่ในขอบเขตในวัดเนี่ยไม่เก็บในบาปเก้าองค์เก้าอี้เนี่ผิดศีลหมดเลยนะเวลาเอาไปปฏิบัติหยิบจากที่ไหนแล้วไม่เก็บไว้ทีนะ่ของที่มันอยู่ตรงไหนไม่กวาดอไเอาไปกวาดแล้วไปทิ้งทิ้งบังค้า ง, างอันนี้อาบัต รวยโยเหมือนกันโยปฏิบัติรรมทิ้งกระดาษทิชชูนะ่ตามที่ปฏิบัติต่างๆได้วไว้ไหนทิ้งอันนี้โยกาบัติเหมือนกันได้บาปแทนนะต้องรู้ตรงนี้ให้ชัดเลยถ้าศีลปรากฏเราเห็นความเป็นปกตินะถ้าเรามีวินัยนะรู้จักเรียนวินัยในพระไตรปิฎกนะมีพระสูดพระธรรมพระวินยันะเยเรารู้ว่าข้อห้ามข้อให้กระทำมาคืออะไร มันก็จะมีอยู่แต่ทีนี้ว่ามันมีตัวหนาถูกหนาพิษอีกตัวหนึงเหนือเหตุเหนือผลเหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาปเหนือกุศลเหนืออกุศลตรงสภาวะนั้นอะไรนิพพานนิพพานนี่เหนือดีเหนือชั่วจิตที่ว่างๆตัวเนี้ยตัวนี้ก็คือหลักของผู้ศาัทธาแล้วก็มีอยู่ในเทวว่าตรงๆ เทลว่าท์เนี่ยสูญพันธุ์ไปเพราะว่าชนะี้เรื่องมรรคผลนิพพานละการเดินทางที่รัดสั้นแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรกับใครทั้งหมดนะแต่ของมหายา น, นี่ให้ท่านทำดีเข้าไว้นะมีการทำดีเทลว่าทให้ปฏิบัติตงร ง, รงนะมหายานให้ทำดีให้ถึงพร้อมนะเพราะนั้นผู้จัดหนาจึงแตกออก ส่วนหนึ่งจะทําดีก็คือมีการให้แต่ตัวเราบรรลุธรรมที่หลังให้ทุกคนไปสู่แดนสุขาวะดีกันก็คือมีความสุขสังคมมีเมตตารุณาเมตตาเบคาถูกไหมนะคิดดีทําดีพูดดีขนาดไหนไปได้แค่พรมแต่ท้ายสุดก็คือความเป็นกลางและกลมกลืน่นกับรสรรพสิ่งแล้วก็พร้อมตาย พร้อมวางกายเวนาจิตรำวางใช้ชีวิตด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์มันไม่ใช่บาปมันไม่ใช่บุญถ้าเป็นบาปเป็นบาปบริสุทธิ์ถ้าเป็นบุญก็บุญบริสุทธิ์ไม่ใช่บ้าบุญบ้าทําดีอันนี้ไม่ใช่มันพร้อมที่จะกลมกลืนรักษาใจตัวเองไม่ให้ทุกตัวนีนะ้มันมีจริงๆ แต่โดยปัญญาลมักจะกลมกลืนนะก็คือไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรนะเป็นความกลมเกลืนทุกสิ่งทุกอย่างมีวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำก็เป็นเช่นนั้นเองของมนุษยชาติทั้งโลกนะตัวนี้มันจึงเป็นหลักนะที่ทำให้นะเทราวาส์นี่สูญพันไปจากวัฏนาเจ็ดร้อยถึงพันห้าร้อยปี จนพิจุนีในเทนละว่าศนะูนย์พันไปเลยตอนนี้ก็ถือว่ามีแม่ชีมาแทนแล้วก็เป็นแม่ชีโนะดวยว่าปีนี้อยากประกาศให้แม่ชีโนะดวยว่าที่วัดป่าสุโตนันี้น่าชื่นชมมากนะเป็นแม่ชีที่มีคุณธรรมมีศีลมีธรรม ม, ร ม, มีการปฏิบัติธรรมปีนี้แหละเป็นปีที่วัดป่าสุโตัวเจริญเติบโตมาถึงจุดหนึ่งมีการปฏิบัติมีการ ร, นะารองรับการปฏิบัติ ให้ทุกคนได้เข้าถึงวิธีปฏิัตแนวหลวงพูเทียนจิตเตอโพนะปฏิบัติธรรมกันแบบนะกรรมฐานแนวเคลื่อนไหวหมือนะ14บสี่งหวาการเดินจงกรมหรือ ว, ว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวเราจะได้เจอความรัดสันของชีวิตเรานะที่จิตมันโล่งโปร่งโล่งโปร่งแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญความจริงนะคือแก่เจ็บและก็ตายมันจะพร้อมเผชิญ เมื่อสองสามวันก่อนนะมาก็เจอก็สอบในนี้หลายคนก็จะไม่ได้ยินได้ฟังนะแต่คนที่ใกล้ชิดไปมาหาสู่จะได้ยินได้ฟังนะเร า, าจะเล่าเหตุการณ์เพื่อให้เห็นถึงตัวเรานี่ยแหละนะเป็นการนาเสนอว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้เราจะว่ายังไงนะไะเจอแพทย์นะแพทย์ทางตะวันออก ไปเจอแพทย์ทางตะวันตกแพทย์ทางตะวันตกก็คือฝรั่งะนะตามโรงพยาบาลมาจะรักษาตามวิทยาศาสตร์ที่แพทย์ตะวันตกเผยดแผ่แล้วก็เราก็น้อมรับแล้วก็ยอมรับจนตั้งโรงพยาบาลมากมายทำมาเป็นการเสียดหน้าอกแล้วก็แน่นเวลาหายใจนะ มีความรู้สึกว่ามันไม่อิ่มลมหายใจสั้นนะเวลาทานข้าวไปนี่เหนื่อยจันข้าวไปเนื้อหน่อยขนาดที่ย่อยนะ่อยากนอนว่วงนอนขนาดหนักเสร็จแล้วมันเปรี้ยเพียลูกสิ์ก็ได้ยินนะว่าการเตี้ยนมาพูดนะ่มันเป็นอาการที่บอกถึงความป่วยเจ็บของร่างกาย หลังจากที่ตรากตำใช้งานมาหลายปีติดๆกันไม่เคยบ่นไม่เคยท้อแท้แต่ว่าร่างกายเขาก็ทำได้แค่นั้นนะก็เลยรับไปเอ็กซเรย์เป็นวันเสาร์เอาไปอันตาซาวก่อนทีแรกหมอข้าสนิทานว่าน่าจะเป็นทุ่งน้ำดีหรือว่า ที่พนักเสพเสร็จแล้ววันอาทิตย์ก็นำไปก็เรียกว่าอะไรอ่ะฉีดสีนะฉีดสีเลยเอ็กซาเล่ละเอียดละเอียดอีกครั้งหนึ่งก็ผลหลับออกมาปากปกติดีทีนี้พอกลับมาถึงแป๊บก็มีแพทย์ทางเลือก พระวัดนี้มีการล้างสังพิษกันอยู่ด้วยนะนอกจากสุภาพกายแล้วสุภาพจิตแล้วมีสุภาพกายนะดูแลสุภาพจิตด ด, ดูแลสุภาพกายกันด้วยครั้ น, นี้รู้จักหมอท่านหนึ่งหมายถึงคนในวัดเนะก็นําหมอแพทย์ทางเลือกมาพอ ม, มาดูเก็บอกว่ามันก็ต้องมีอาการนะและลักษณะการอย่างเนี้มันเป็นอาการที่บอกถึง ตับไส้ปอดพวกนั้นนะหรือว่าถุงน้ําดีมันมีปัญหาแล้วละก็จึงมีการล้างสารพิษกันนอกจากล้างสารพิษแล้วมีลักษณะของกัวซ า, าชื่อแล้วก็มีทำเอาแก้วมาครอบแล้สูญยากาศดึงแล้วก็ลูดหลังเรียกว่าพอเดินเดินลูดปั๊บน่ยเดินแก้วะนะลูดจุดตั้งแต่เนี้ย ตรงไหลนนะลงไปถึงแถวก้นกลดดูเต็มที่มันก็เจ็บนะแล้วก็รูดเข้าไปเลือ ก, กวัวซาขูดขูดขูดกูดๆๆนะมันก็จะมีความรู้สึกทิ้มกันที่สุดก็คืออีกกรรมวิธีหนึ่งก็คือเอาหลอดแก้วนะนะประกบลงไปบนแผ่นผิวหนังของเราเบนแผ่นหลังเนะี่ยแล้วก็ดูด ให้เป็นศูญยากาศดึงให้เต็มที่สักพักหนึ่งเสร็จแล้วเอาแก้วออกเอาเข็มเข็มมาทิ่มในครอบแก้วประมาณ1 0ถึงสิครั้งถ้าเป็นโยมเจ็บไม่โยมเข็มทิ่มหลัง1 0บถึงครั้ง แล้วเต็มแผ่นหลังนั่นแหละประมาณสักสามร้อยกว่าครั้งอบางจุดมันจะรู้สึกได้ชัดแถวตะโพกนี้เส้นประสาทจะเยอะแถวคอต้นคอเนี่ยแล้วแถวห น, น้นาอกตรงนี้ยตรงหน้าอกตรงเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องเสียงก็ไลายฟังมามีปัญหาเรื่องเสียงฮะเสลเอทมันขึ้นมาพันปกติจะพูดอย่างเงี้ยพูดไม่ได้มันจะคุมเครือแล้วก็แถวตรงข้อพับเนี่ย ด้านหลังของกอพับตรงเข่านะด้านหลังก็จะจิ้มเข็มลงไปเอามาสังเกตดูนะเราเวลาให้กระบวนการรักษาทางการแพทย์เขาดำเนินการไปนะเราก็จะต้องศรัทธารวาน้อมเห็นด้วยเห็นด้วยก่อนดับแรกน้อมใจศรัทธาเห็นด้วย แล้วท่านจะทำอะไรให้ด้านทำถวายชีวิตให้เลยอย่างเงี้ยก็จะทำตามความรู้เต็มกำลังความสามารถของข้าว่าเรายกให้เพราะนั้นกระบวนการที่จะมีฉีดดมอมอทาและผ่าตัดจะมีทั้งฉีดยาสลบทายาสลบหรือว่าไม่ไม่ต้องเพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยจะชัดเป็นขั้นเป็นตอน เบาบ้างหนักบ้างตามกระบวนการที่ฉนะีดยาชาหรือว่าสลบอาจจะรับรู้ความรู้สึกได้หรือว่ารับรู้ความรู้สึกไม่ได้ตรงนี้แหละถ้าฝึกสติจะเห็นอาการวางวางกายวางใจกายมีเวทนามีความรู้สึกสุขทุกเกิดขึ้นมาจิตจะมีสภาวะผู้ดูทันทีก็ ค, คือสติปัฏฐาน4ี่นั่นเอง เหมือนกับเราดูหนังดูละครภายนอกแล้วเราก็ไม่หลงเข้าไปดูละครดูหนังภายนอกจนกระทั่งเป็นตัวละครเป็นตัวแสดงเรียกว่าดูแบบวิจัยเรื่องราวจะเห็นบทละครเห็นบทพูดเห็นศิละปะในการแสดงเห็นผู้กำกับเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ใช่วันใยไปกันอารมณ์ของนักแสดงมันมีทั้งภายนอกและภายในทํมามภายนอกและภายใน แพลว่าผู้ดูคือสติคือสมญญชปัญญาตาในของเรานะอันนี้เกิดจากเทรลวาที่ชี้นำนะให้เกิดนะการปฏิบัติที่ชัดตรงนะมาหาสติจึงเป็นหนทางเอกหนทางเดียวสู่การรู้แจ้งนะกายมาดูกายเห็นกายตางความเป็นจริงหนะลวงปู่เทียนจิตพอส่งท้ายไปแล้วเมื่อวานนะอนนีปฏิบัติส่งท้ายหลวงปู่เทียนเมื่อคนะืนจริง ไม่ได้สวนมนต์แต่มาปฏิบัติส่งท้ายหลวงปู่เทียนเพราะเป็นปีชาติการร้อยปีหลวงปู่เทียนจิตสุโพที่ครบเมาเกินนีผ่านไปแล้วนะปีนี้ถือว่าองค์ใหม่แล้วในประเทศไทยหลวงปู่เทียนเจีตสุโพ ป, ปีที่แล้วเนี่ยเทระวาดนะมหาเทรสมาคมได้สรรเสริญให้นะหลวงปู่เทียนเป็นปรมาจารย์ทางด้านการเจริญสติปัฏฐานนะ จัดการก็บร้อยปีนะมีหลวงปู้เทียนมีอาจารย์ปัญญานันทภิกนะุที่ล่วงรับไปแล้วแล้วก็มีอีกหนึ่งรูปก็คือเจ้าคุณประยุตยุตโตพระองคุณาพรนะซึ่งหลวงปู้เทียนจิตตบนะได้ให้บนรษุชาตินะปลดแอกตัวเองให้มีเสรีอิสระ มีความเป็นไทยในตัวโดยการออกมาจากความคิดรู้ทันความคิดเห็นความคิดโดยการรู้สึกที่การเคลื่อนไหวกายสิบสี่จังหวะมือแต่และจังหวะที่เคลื่อนนะให้ตามรู้แล้วลึกรู้รู้ล้ตัดรู้ให้เป็นปัจจุบันรู้ซื่อๆรู้เ ฉ, ฉยๆ รู้ให้เป็นลูกโซ่ให้มันต่อเนื่องรู้ให้เป็นปฏิบัติถูกต้องอย่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีขณะทำให้ทำซื่อๆทำเฉยๆทำเหมือนไม่ได้เอาอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันจึงเกิดเทคนิคขึ้นมาชัดๆที่ประกาศตรงลงไปเลยแล้วก็ท้าทายถ้าทำลงไปแล้วอย่างเร็วนี่หนึ่งวันถึงเก้าสิวันเราได้รู้จักตัวเอง อย่างกลางหนึ่งปีช้าสุดสามปีทุกรถแน่นอนตันทาถ่ายไว้อย่างน้อยๆ อ, อนาคามีก็คือละปฏิกะราคะปฏิกะคืออะไรที่เป็นเรื่องงุดหงิดลำคาญใจแล้วก็เหมือนกับเราไม่ชอบมันจะกลายเป็นความงุดหงิดท้ายเสือเป็นความโกรธเป็นโทสะอย่างเงี้ย ผูโกโอาคาตพยาบาทนะจองเวรจองกรรมเกิดมาจากตัวปฏิฆนะแต่เรารู้ทันปฏิฆะก็นั่นหมายถึงว่าเป็นอนาคามีรู้ทันราคะหยิบราคะมาใชนะ้ที่เป็นศิลปะเนะมื่อคืนแสดงออกกันประดับประดาหรือว่าแต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานแต่ละร้านคา้านะก็ประดับประดาล้านของตนนะ ในเทศกาลกิสมัดมั่งปีใหม่บ้างไปเลยิบปรยับหลายคนมเมื่อคืนก็หลงลักเิงไฟเหมือนแมงเมาบินเข้ากองไฟตทยสุดเช้าเนี่ยจะหมดชีวิตไปแล้วก็ได้หรือว่าตายจากความดีก็ได้ว่าเมาแอไม่รู้จะทำอะไรเช้านี้พอจะได้ตื่นมาฉลองปีใหม่ก็นอนละอีกนานหิวข้าวแล้วค็ลยลุกสั่งเมาแล้วก็ยลุกอย่างนี้ เราก็เลยเห็นแล้ววนะ่านั่นมันคือลักษณะของใช้สมองใช้ความคิดเป็นความดีความงามคุณธรรมจริยธรรมนะวัฒนธรรมประเพณีและโดยเฉพาะตอนหลังนี้เป็นประเพณีนิยมกันประเพณีนิยมนะมันก็ไมด้มาจากราักฐานของสมัยโบราณนะที่วัฒนธรรมไทยก็อยู่กันย่างไงนะมันเพี้ยนมันเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปนะเป็นเนื้องอกนะแต่นี่แหละคือความจริงนะ ที่เราต้องยอมรับกันการเกิดดับการปร่งการเปลี่ยนแปลงมันก็เป็นไปตามวิธีของโมโนุษยชาติที่จะ ต, ต้องการสิ่งแปลกใหม่เราก็จึงต้องน้อมแล้วก็พร้อมเผชิญด้วยการตั้งสติและยิ่งนวันเวลาผ่านไปในอีก3ปีข้างหน้าพุทธศักราช2558เกิดอะไรขึ้น อาเซียนประกาศทุกคนเขาออกเชื่อมโยง mm hmm. เหมือนเป็นหนึ่งเดียวกัน mm hmm. เพื่ออะไร mm hmm. เพื่อให้กลุ่มของอาเซียนเน่เข้มแข็ง mm hmm. จะต้องแข่งขันกับกลุ่มนั่นกลุ่มนี้กลุ่มน้น mm hmm. สารพัดเลอกลุ่มยุโรป mm hmm. แล้วเราจะอยู่กันยังไง mm hmm. เพราะอะไรว่าทำประเพณีต่างๆจะไหลทะลักเข้ามาทะลวงเข้ามา mm hmm. การค้าเสรีต่างๆ เทคโนโลยีต่างๆเพราะนั้ น, นสติปัฏฐานสี่จึงพร้อมที่จะเรียนรู้สภาวะของธรรมภายในและธรรมภายนอกนกายเวนาจิตธรรมที่มันเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทั้งปวงมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกเหมือนกันจริงๆมันเกิดมาแล้วนับล้านล้านปีมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากรรมายอาตมามองไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจอะไรเลย มนุษยชาติถึงจะทำอะไรนะามาก็ไม่โทษไม่ถือสาหาความเพราะอะไรรู้ไหมมีโรงงานมีการตัดไม้ทำลายป่ามีการมือใครยาวสาวได้สาวเอานะผล ป, ประโยชน์ขุดทะลุดทะลวงแผ่นดินหาน้ำมันหาทองหาแร่ต่างๆอัญมณีมีค่าอะไรมีค่ามนุษยชาติก็พยายามทุ่มเทนะเพื่อมาเป็นของตนนะ หรือว่าประเทศของที่มีในโลกใบนี้ส่วนใหญ่คือเป็นของโลกของเราของธรรมชาติที่มันมีอยู่นะเพราะนั้นมนไม่ว่าอะไรในแ ง, ง่ส่วนตัวนะไม่ว่าอะไรเพราะไดโนเสาร์ไม่ได้ทำอะไรโรงงานอุตสาหกรรมเตาพรมโนไม่มีอุตสาหกรรมหนักไม่มีไดโนเสาวไม่มีอาวุธไม่มีพรมานไม่มีนิวเคลียร์ไม่มี แต่ท้ายสุดไดโนเสาร์ก็สูญพันธุ์ไปแต่มามองอย่างนี้นะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือคกลไกการเปลี่ยนแปลงเกิดดับมันเป็นทุกขังอนิจจังนัตตาทั้งหมดมันมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งหมดมันจึงไม่มีอะไรเป็นเรื่องน่าแปลกไม่มีมีแต่เรื่องธรรมชาติฝ่ายกุศลแลกกุศล เมื่อกุศลก็พร้อมเขาก็แสดงตัวออกมาอากุศลก็ต้องหมดไปหายไปแต่ท้ายสุดกุศลเองก็เกิดดับเหมือนกันอากุศลก็โผล่ขึ้นมาน้ำลดต่อผุดไม่เป็นอย่างนี้จริงๆอย่างในตัวเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วเซลล์มะเร็งมีแล้วทุกคนไม่มีใครเราไม่มีเซลเล์มะเร็งแต่เพียงแค่ว่าภูมิต้านทานในตัวของเรามันอยู่ได้ไหม ภูมิต้านทานในตัวถ้าอยู่ได้เซลล์มะเรงก็อยู่ได้เหมือนกันนะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือจําได้ไหมปีที่ผ่านมามีภัยเกิดขึ้นมาฮสไฟเอ็นวัเกิดขึ้นไหมันคืออะไรตัวเชื้อไม่ได้ทําลายเราตัวเชื้อที่เรารับไม่ได้ทําลายเราเชือเ้อไวรัสแต่ตัวที่ทําลายเราคือภูมิต้านทานดีของเราอ มันทำลายตัวเองมันกินปอดตัวเองมันเตือนตัวมากเลยทหารนักรบนะมันป้องกันเชื้อโรคโดยการทุ่มเททะลุทะลวงใส่อาวุธลงไปกินอย่างทั้งปอดเหลวไปหมดเลยเละไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือกุศลไม่ใช่เหรอนะบุญไม่ใช่เหรอนะความดีไม่ใช่เหรอบางทีทำลายความดีทำลายเรามันมีอยู่ด้วยนะพระเจ้าจึงบอกว่าทำจำระจิตให้บริสุทธ์ จิตบริสุทธิ์คืออะไรก็คือดูแล้วเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าจะเข้าไปเป็นเข้าไปเกี่ยวข้องต้องเกี่ยวข้องด้วยปัญญาการทําหน้าที่ทั้งหลายทั้งปวงถ้ามีสติสัมัจัญ ญ, ญามันจะรู้จักว่าพอดีอยู่ตรงไหนความพอดีอยู่ตรงไหนมันจึงเกิดความพอดีขึ้นมาสติพอดีสมาธิพอดีปัญญาพอดีเกิดขึ้นมา ความเพียรก็พอดีศรัท ธ, ธาก็พอดีเกิดขึ้นมาการมีสติพอดีก็เกิดขึ้นมาสติพอดีมากเกินไปก็เรียกวิวปัสสโนสติกล้าอุปทานสติกล้าเรียกว่าอุปทานเป็นอารมณ์ของวิปัสสโนปีติปีติเป็นอารมณ์ของวิปัสสโน เราไม่ต้องการปีติปิติแต่พอดีปัสสธิพอดีปัสสธิคืออะไรสงบกายสงบใจแต่พัดพอดีหรือว่าจิตปลาโมทอย่างเงี้ยปราโมทคืออะไรก็คือรื่นเริงความรื่นเริงก็ต้องมีแต่พอดีรู้ก็รู้แต่พอดีติดรู้มากเกินก็ไม่ได้ติดรู้มากเกินก็กลายเป็น เรื่องของเสียไปล่ำเวลาเป็นกิเลสอย่างละเอียดอีกเน <Yeah. S 1> เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับหมดปัญญาเองก็เกิดดับสมาธิก็เกิดดับสติก็เกิดดับทั้งหมดแต่เรามีประสบการณ์ของชีวิตนะที่ฝึกหัดปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานจนกระทั่งเป็นมืออาชีพเป็นยังไงเรียกว่ามืออาชีพมาลูกกายู้เวลาู้จิตธรรม เกิดความเป็นเองขึ้นมานั่นแหละเรื่องอาชีพธรรมชาติก็ทํางานของเขาเองเราเรับรู้ได้นะเราไม่สามารถบังคับบัญชาอะไรได้เลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยเป็ น, นกลไกของธรรมชาติธรรมชาตินี้ใหญ่กรรมนี่ไม่ใหญ่กรรมฐานจึงเป็นเหตุที่ทําให้เกิดธรรมะเห็นธรรมะรู้ธรรมะ เกิดความยิ่งใหญ่แล้วก็พร้อมมีความพร้อมนะพร้อมที่จะเผชิญนะกับโลกที่จะเกิดอะไรขึ้นมาก็ได้นะพระท้ยสุดก็คือสิ่งเดียวกันนะรู ป, ปขันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดินสู่ดินน้ำสู่น้ำลมสู่ลมไฟสู่ไฟความตายจึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเ oh. วลาผ่านไปเราใกล้ความตายไปทุกขณะ โอสถเดชสัมมาสัมพุเจ้าเปรียบเทียบไวนะ้เราเชื่อว่าอย่างนั้นนะหรือว่าบรรพบุรุษที่มีภูมิจิตภูมิธรรมที่ท่านมองเห็นว่าเวลามันกืนกินสรรพสัตว์สรสรพสริ่งรอมทั้งตัวมันเองเพราะฉะนั้นเวลาผ่านไปแต่ละวินาทีแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมันเปรียบเหมือนกับโคที่เพชฌฆาตจูงสู่หลักประหาร ทุกๆวินาทีเราเดินใกล้ความตายไปทุกๆขนะเปรียบเหมือนกับฟองน้ำค้างที่เกาะบนยอดยอดหญ้าน้ำค้างจะเป็นเม็ดๆเป็นฟองๆเกาะบนยอดหญ้าพอโดนแสงพระาทิตส่องขึ้นมาก็หายไปเมานิ้งอย่างเงี้ยนะพอแสงอุ่นๆก็หายไปเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนสภาพแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนนะ ในรูปร่างของแมานิจ์หาให้ไปแล้วก็เปลี่ยนสถานะเป็นไอบนะนเวียนอยู่ในในโลกนี้แหละระบบสุริยะจักรวาล น, นี้แหละอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นความตายนะมันมาเยือนเราใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาที่สำันที่สุดก็คือมันตายอยู่ทุกๆขณะเกิดดับเกิดดับเกิดดับพลังชีวิตเซลล์ทุกเซลลนะ์เกิดดับไปมากนะ ในการแพทย์บอกว่าเจบันมันก็ตายแล้วเจปีเนี่ยตายหมดเลยครบเลยเราไม่ใช่เป็นคนเดิมเราได้มาจากสัตว์สารสิ่งพืชนะกินได้ไหมเป็นยานะเดี๋ยวชาวนี้เราจะต้องรับประทานอาหารเข้าไปนะก็คือเอ า, าธาตุมาเติมาธาตุเป็นสิ่งเดียวกันนะมันจึงไม่มีอะไรตายนะมันมีแต่เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันจิตนะจิตเป็นนามธรรมนะ จิตไม่มีตัวตนแต่มีพลังมีความว่องไวสงนะูงเดินทางได้ไกลนะไประวตก็ลึกมากเลยนะอย่น้อยเราก็ระลึกได้ว่าเด็กๆนะตอนที่เราเกิดขึ้นมาจากท้องแม่เราจำความได้นะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้เรานะเกิดความประทับใจจำไม่ลืมอย่างเงี้ยเหตุการณ์ร้ายๆประทับใจจำไม่ลืมนะเหตุการณ์ดีๆประทับใจแล้วเราก็จำไม่ลืม มันฝังตัวอยู่ในความคิดในจิตในสมองอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอเราฝึกกรรมฐานมีสติมันก็จะได้เห็นภพภูมิเหล่านี้อาบายนะี่มันปิดแน่นอนอาบายแต่ไปเที่ยวบ้างก็ได้แบบพรคมาลัยอยู่กับทุกไม่ต้องจมทุกอมทุกอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่ น, นะเอาละอ่านมาเห็นว่าพูดมาสมควรก็วเวลาเพื่อเป็นการชี้ว่า ปีใหม่ชีวิตใหม่กันมาแล้วนะก็ขอให้ผ่องแผ้วสดใสมีสติมีศีลห้าเป็นหลักมั่นไว้เดินไปตามรอยพระพุทธองค์จะเกิดมาเป็นคนจนรวยท้ายสุดแล้วก็มอดม้วยแก่ตายเป็นผีก็ลองตองลองตึกตูทีชีวิตมันมีสิ่งใดน่ากลองวันวา น, ผ, นผ่านผ่า น, านพ้นไปจะยักช้าอยู่ใหญ่เพื่อนพ้องนะก็ทำดีละช่วย ทังผองนะจเจริญสติสมาธิปัญญาชีวิตก็จะเรืองรองแล้วก็เบิกบานอย่างเงี้ยนะก็ขอให้ทุกทนทุกท่านก็จงนะมีชีวิตใหมนะ่ประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาจนกรทั่งเหมือนกับว่าเราอยู่กับความเป็นปกตินะแล้วท้ายสุดนะมรรคผลนิพพานจะเท่าเหมือนกับว่าจะเข้าสู่เป้าสูงสุดก็คือเนือเกิดเหนือแก่เนือเจ็บเนือตาย ก็ขอให้บังเกิดนะในชีวิตเราในชาตินี้ในเวลาใกล้นี้หรือแม้กระทั่งในวันนีนะ้ก็อาจจะเกิดได้ก็ขอให้บังเกิดโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกรูทุกนางเธอ